มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาชัตวักจิรากตะสาระปัญหาที่สิบถามว่า บุคคลที่ระลึกถึงกิจการงานที่ล่วงไปแล้วช้านานได้ด้วยอะไรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานบุคคลที่ระลึกล่วงไปข้างหน้าในอดิตการอันนานช้านี้ระลึกได้ด้วยอะไรพระนาคเสนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชา ดุราณะบพิษพระราชสมภารบุคคลที่จะระลึกซึ่งอดีตการล่วงไปช้านานนั้นก็ระลึกได้ด้วยสติขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมนี้เข้าใจว่าระลึกได้ด้วยจิตพระนาคเสนซักว่ามหาบพิษเข้าพระถ่ายว่าระลึกได้ด้วยจิตนั้น เข้าพระไทยถูกแล้วหรือนี่เนี่ยอัตมาจะถามเหมือนพระราชสมภารกระทําการอะไรไว้แล้วลืมเสียพระองค์ทรงทราบได้หรือประการใดพระเจ้ากรุงมิลินจิงตรัสรับว่าหาไม่ได้พระนาคเษนจึงว่าสมัยนั้นพระราชสมภารเจ้านี้ไม่มีจิตหรืออันธรมดาว่าจะระลึกถึงสิ่งของข้างหนหลังล่วงรับไปนาน จะระลึกได้ก็อาศัยสติอันหนึง่งจะกระทําสิ่งอะไรเป็นการกุศลก็ดีอกุศลก็ดีอาศัยแก่สติระลึกไปในหนึ่งสติมีอัตถว่าระลึกเลือกเอาแต่ชอบในหนึ่งสติมีอัตถว่าระลึกไว้ไม่ให้ลืมจึงชื่อว่าสติอลักษณะจิตนี้เป็นพนักงานข้างจะคิดไปสตินี้ เป็นพนักงานที่จะระลึกมิให้หลงลืมได้เหตุนี้แหละจะระลึกได้ซึ่งการที่ล่วงไปคือการหลังๆมานี้จะระลึกได้ก็อาศัยแต่มีสติเสมือนคนบ้าหาสติมิได้มีแต่จิตไม่รู้ผิดชอบคลุ้มไปคลั่งมาเพราะว่าหาสติมิได้ที่จะระลึกรู้สึกตัวได้บ้างเพราะว่ามีสติ บพิษพระราชสมภารพึงเข้าพระทัยเถิดพระนาคเสนผู้ประเสริฐก็ยังสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ให้สมานัดยินดีด้วยพระอภิธรรมกถาด้วยประการฉนี้จิระกตะสารณะปัญหาเป็นคำรบสิบจบเท่านี้